ห้าสี่สาม ส, ามสามหนึ่พุดทูทว่าสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่รบคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วเวลาของรายการสังสนีสนนากันอีกครั้งนึงนะคะในวันที่เราก็จะได้ปฏิบัติธรรมกันตอนต้นรายการเช่นเคยซึ่งเข้าใจว่าคงจะมีรายการนี้รายการเดียวหรือถ้าหากจะมีก็ไม่มากนักนะคะที่คนฟังรายการจะได้ปฏิบัติธรรมสร้างกุศลกันไปพร้อมๆกัน ตั้งแต่ตอนต้นของรายการดังนั้นก็ต้องจับจ้องกันให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้ทําให้การปฏิบัติของท่านจะอยู่ภายใต้การนําของพระอาจารย์ที่มาให้ความรู้เปิดธรรมที่ถูกติดโดยพุะทวจนะให้กับเรานั่นก็คือพระภพบูรณ์อภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีซึ่งท่านกําลังจะได้พบกับพระอาจารย์นะคะในเวลาอีกไม่กี่วินาทีต่อจากนี้ไปคะ่ะกราบนวัช ก, การกันทั้งค่ะเชิญพานเวลาที่เรามาพบกันแล้วก็ ไม่เหินห่างจากการปฏิบัติตโดยให้ท่านผู้ฟังมาฝึกในการที่จะมีสติไม่ลืมหลงการที่เราจะตั้งสติขึ้นได้มีสติไม่ลืมหลงสตินี้คือความระลึกได้มันอยู่ที่ไหนแล้วนะอยู่ที่จิตของเรานน่เองถ้าจิตของเราตั้งขึ้นไว้มีที่ตั้งที่ระลึกถึงอยู่กับลมหายใจของเราอย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตของเรานน้นมีสติสติจะเกิดขึ้นทันทีสติที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นเครื่องที่จะให้ใจของเรานั้น มีที่ตั้งไม่ไหลไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลร่ำในขณะที่เรามีสติอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เจริญทำความเพียรอยู่พระเจ้าได้เคยแบ่งเรื่องของความเพียรโดยใช้คําว่าประทานาไว้อยู่4อย่างในตรัสกับพิกสุทธ์ตั้งหลายาไว้อย่างนี้ว่าพิกษุทธ์ตั้งหลายประทาน4อย่างเหล่านี้มีอยู่ 4. อย่างคือประทานคือความเพียรด้วยการสังวร ความเพียรด้วยการละความเพียรด้วยการพัฒนาและความเพียรด้วยการรักษาก็ความเพียรคือประทานด้วยการสังวรคือการสมรวมระหว่างเป็นอย่างไรเล่าคือเตอในกรณีนี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสผลิตภัณฑ์ด้วยกาย หรือรู้ธรรมมรมด้วยใจแล้วก็ตามไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดไม่ถือเอาในลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆสิ่งที่เป็นอคุรธรรมอลามคคืออภิชาและโทมนัสจะปึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สมรวมอินทรีย์เหล่าใด้เป็นเหตุเธอย่อมปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้ ย่อมถึงการสารวมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าความเพียรด้วยการสังวรก็ความเพียรด้วยการละเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ไม่รับเอาไว้แต่สละทิ้งไปท่ายถอนออกทาให้สิ้นสุดเสียทำให้ถึงซึ่งความไม่มีซึ่งความยิ่ในทางการม ความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นย่อมละเอาไว้สลาทิ้งไปทายถอนออกทำให้สิ้นสุดเสียทำให้ถึงซึ่งความไม่มีซึ่งอกุสละธรรมอันลามกทั้งหลายที่บันเกิดขึ้นแล้วนี่แหละเรียกว่าความเพียรด้วยการละวิสุ์้ลายก็ความเพียรด้วยการพัฒนาหรือภาวนาประธาน เป็นอย่างไรเล่าคือในกรณีนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงย่อมเจริญซึ่งธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเจริญซึ่งวิริยะสัมโพชงย่อมเจริญซึ่งปีติสัมโพชงย่อมเจริญซึ่งปัสสธิสัมโพชงย่อมเจริญซึ่งสมาธิสัมโพชงย่อมเจริญซึ่งอเบขา สำโพชงอันแต่ละอย่างทุกอย่างอาศัยความวิเวกอาศัยความจางคลายอาศัยความดับอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางนี่แหละเราเรียกว่าความเพียรด้วยการพัฒนาพิสูจน์ตั้งหลายและความเพียรด้วยการรักษาเป็นอย่างไรเล่าเกิเจอในกรณีนี้ย่อมตามรักษาซึ่งสมาธินิมิต ที่เกิดขึ้นแล้วนี่เรเรียกว่าความเพียรด้วยการรักษาเหล่านี่แหละคือประธานคือความเพียร4อย่างเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากําลังมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่อย่างนี้เราตั้งสติขึ้นก็ช่วยเป็นการทําความเพียรอย่างหนึ่งเป็นลักษณะของการที่เราพัฒนากําลังจิตของเราให้มีสติตั้งขึ้นนั่นเองเจริญพันธ ท่นบอกว่าคําว่าประธานปอปลาทอธงสละา น, นหนูอันนี้เป็นภาษาบาลีใช่ไหมคะใช่ประธานเพราะว่าถ้าเราที่เป็นคนทั่วๆไปไม่ได้เข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้านี่จะรู้จักแต่คําว่าประธานอ๋อนั่นก็คือเหมือนกันไหมคะท่านคะไม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนั้นประธา น, านอันนั้นกคือเป็นลันกษณะของเป็นหัวหน้าใช่ไหมค่ะแต่คำว่าประธานะเนี่ย าภาษาบาลีเขาใช้คำว่าปัฏฐานะเนี่ยหมายถึงการทําความเพี่ยนอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปได้ยินที่ไหนปัฏานหรือว่าปัานะเป็นภาษาบาลีแปลว่าความเพียนใช่คะ่ะประเด็นที่มีในที่นี้ที่ต้องการจะพูดถึงก็คือว่าตรงนี้ปริชาแบ่งไว้สี่อย่างถูกไหมซึ่งถ้าเราจะพูดถึงเนี่ยเราเคยได้ยินเรื่องของสมาวิยามะที่พูดถึงว่าเอาอริยสธรรมอย่าให้เข้ามา กุศลธรรมที่อยู่ในใจเอาออกไปกุศลธรรมที่อยู่ข้างนอกให้เข้ามากุศลธรรมที่มีอยู่แล้วพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอันนี้คือสัมมาวายามาสีข้อที่เราเคยได้ยินมาซึ่งอย่างการที่ป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมใหม่เข้ามาเนี่ยถ้ามันจะมาสอดคล้องกันเนี่ยคือมันจะมาสอดคล้องกับตรงอันแรกที่บอกว่าความเพียรด้วยการสํารวมระวังแต่เพราะว่าคนที่มีอินทรีย์มีเขาเรียกว่ามีการสํารวมอินทรีย์หรือมีการสํารวมระวังเนี่ยอกุศลธรรมจะไม่เข้ามา เพราะนั้นมันจะสอดคล้องตรงกันว่าอ๋อไอ้ที่คุณจะป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมใหม่เข้ามาเนี่ยคุณก็จะต้องมีการสํารวมอินทรีย์นะนี่คือข้อที่1อ๋อหมายถึงว่าที่ถ้าเป็นบทพยัญชนะที่กล่าวว่าอ๋อภิกษุที่เห็นรูปด้วยตาไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมดไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการถือเอาโดยแยกเป็นส่วนส่วนอกุศลธรรมลามกคืออภิชาละโทมนัตจะพึงไหลไปตามบุคคล ผู้ไม่สำรวมอยู่ซึ่งอินซีเป็นต้นเหตุคือตาใดฮะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมซึ่งอินซีนั้นที่นสงสัยคำที่ประโยคนะคะ<ช>ที่บอก<ร>ว่ารวบถือเอาทั้งหมดหรือว่าการถือเอาโดยแยกเป็นส่วนๆแล้วท่านบอกว่าเป็นการสังวรหรือว่าสำรวมนนะคะใ ช, ใช่่ตรงนี้หมายถึงว่าอย่างสมมติรถยนต์คันหนึ่งหรือว่าบุคคลบุคคลหนึ่งเอารถยนต์ก็แล้วกันนะรถยนต์ เราดูใจรวมทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเขาออกแบบดีสวยงามเหลือเกินอันนี้คือลักษณะโดยรวมทั้งหมดนะทีนี้คือถ้าแยกเป็นส่วนๆเช่นเราก็จะบอกว่าโอ้ไฟหน้าสวยแตคือโดยรวมแล้วอาจจะไม่สวยแต่ดูไฟหน้าสวยดูไฟไท้ายสวยดูตกแต่งภายในอย่างดีอันนี้คือการแยกเป็นส่วนๆ<ค>นะเพราะฉะนั้นตรงไหนก็ได้ที่มันจะมาให้เร า, ากุศสธรรมมันจะเข้ามาเนี่ยเราต้องปิดกันให้หมดค่ะหมายถึงว่าไม่ไม่แยกเปิดโอกาสให้เข้ามาใช่ แต่เนะพราะบางอย่างเนี่ยดูโดยรวมแล้วดีแต่พอแยกเป็นส่วนๆอาจจะไม่ดีแต่บางอย่างโดยรวมไม่ดีแต่แยกเป็นส่วนๆอาจจะดูดีเราก็ต้องแยกกันไปนะต้องป้องกันทั้ง2งทางอันนี้คือ<ะ>การป้องกันไม่ให้อกุศุลธรรมเข้ามานะ<ะ>ในขณะเดียวกันถ้ามีอกุสุลธรรมอยู่ภายในใจเราก็จะต้องรีบละมันออกไปนะการละออกไปเนี่ยก็คือเอาความคิดทางการมพยาบาทเบียดเบียนที่มันมีอยู่เนี่ยเอาออกไป แต่ตรงนี้คือข้อที่ว่าละออกเนี่ยละออก อ, อันนี้คือส่วนที่2ก็คือการทําสัมมาสังกัปปะนั่นเองค่ะส่วนที่3ที่พูดถึงเรื่องของสัมมาวายมะที่บอกว่ากุศลธรรมใหม่ให้เอาเข้ามาแตกุศลธรรมใหม่ให้เอาเข้ามาเนี่ยก็คือเรื่องของการเจริญโพชงในการเจริญโพชงคคุณพัฒนานะคํานี้ที่เขาใช้คําว่าก็คือการภาวนาภาวนาคือการพัฒนาพัฒนาจิต ที่มันไม่มีให้มันมีขึ้นนะส่วนเรื่องของการที่ทําสิ่งที่เรามีดีอยู่แล้วนะให้ให้มันมีดีมากยิ่งขึ้นนะคือการรักษาความดีเอาไว้การรักษาความดีเอาไวก้ก็คือการรักษาสมาธินิมิตที่เกิดขึ้นถ้าคุณมีสมาธิอยู่แล้วคุณต้องรักษามันให้ดีอ น, นี้คือข้อที่4ี่ถ้ามาเอาเอ า, เ, อ า, เ, อ า, เ, อาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเหตุเพราะว่าเมื่ อ, อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเกิดได้ไปมีโอกาสไปซื้อยาแก้ยุงนะยุงกัด ก็เลยไปหาเภสัชกรเขาก็ถามว่าคุณจะซื้อยาแก้ยุงกัดเนี่ยก่อนยุงกัดหรือว่าหลังยุงกัดนะก็ตามอย่างนี้เพราะว่าถ้าก่อนยุงกัดก็คือยากันยุงถูกไหมก็ต้องเป็นยาประเภทหนึ่งนะถ้ายุงกัดแล้วนะมันก็ต้องเป็นยาอีกประเภทหนึ่งนะเพราะว่ามันมาตาแผลที่ยุงกัดมันคันถูกไหมก็ต้องเป็นยาคนละขนาดกันอาจจะไม่นึกถึงประสูตินี้ขึ้นมาทันีเลยคุณโยมติว่า ถ้าใจของเราก่อนที่มันจะมีอคตศทุตธรมเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องรู้จักแยก2 ส, ส่วนนี้ให้ถูกนะคือ1เอาตุณต้องสํารวมินซีสอคุณต้องรักษาสมาธินิมิตให้ดีนะสส่วนเนี้ยจะเป็นเหมือนกับยาที่เราต้องทาก่อนที่ยุงจะกัดนะเพราะยุงกัดแล้วมันจะคันแต่ตอนนี้เรายังไม่มีความคันเกิดขึ้นคือใจของเรายังสบายอยู่สมมตินะเปรียบเทียบกลับกันมาแตนะ่ว่าถ้าใจของเรายังสบายอยู่เนี่ยคุณจะต้องมียาอะไรสักอย่างในงหนึ่งเป็นขนาดหนึ่ง เดินที่จะคอยป้องกันอกุศลธรรมเนี่ยไม่ให้มันเข้ามาซึ่งตรงนี้ก็คือการที่เราสํารวมอินทรีย์การที่เรารู้จักรักษาสมาธินิมิต ท, ที่เกิดขึ้นในใจของเราให้ดีนี่คือ2ขนาดแรกทีนี้ถ้ายุงกัดแล้วนะเขาก็จะต้องให้ยาอีกแบบหนึ่งนะเป็นการยาที่ระงับการคันเป็นยาที่จะระงับปฏิกิริยาที่ร่างกายของเรามันทํากับน้ําลายยุงตรงนี้นะแล้วก็ใ ห, ใ, ให้มันหายคันให้มันหายเป็นฝีก็จะต้องใช้ยาอีกขนาดหนึ่งซึ่งจะไม่เหมือนกัน นวยาที่พูดถึงในขณะที่ถ้าเรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตแล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงการที่คุณต้องเอาอากุศลธรรมออกไปแนวอากุศลธรรมออกไปจากจิตให้ได้คือเรื่องของการละสิ่งที่เป็นอกุศลละมิจฉาสังกปะแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมใหม่ๆเข้ามานั่นคือการเจริญปวชงแต่ตรงนี้มันจะเป็นคู่กันมาแต่ทีนี้คือเป็นศาสตราจารย์เาก็จะอธิบายต่อไปนะักขุนยมติ๋วบอกว่ามันจะมีข้อจํากัดของการบ่งใช้อยู่ ก็คือคุณโดนยุงกัดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ายุงใหม่มันจะไม่กัดอีกก็เอายาทากันยุงมา้เราทาด้วยนะเพราะว่าป้องกันยุงใหม่มันกัดคุณด้วยใช่ไหมทีนี้อายาทากันยุงเนี่ยก่อนที่ยุงจะกัดเนี่ยถ้าเอามาทาโดนแผลที่ถูกยุงกัดไปแล้วเนี่ยมันนา จ, จะทําให้เกิดอาการอักเสบการแสบการที่หายยากขึ้นนะเพราะมันเป็นคนละขนาดกันแต่เขาจะมีข้อจํากัดการบ่งชัยตรงนี้อยู่ซึ่งในในทางในทางคำสอนของพระเจ้ายาที่พระเจ้า จัดมาให้ใส่มาให้เนี่ยไม่ได้มีข้อจํากัดการบ่งชัยตรงนี้หมายความว่าในขณะที่คุณยังไม่ได้มีอคุณสมบัเกิดขึ้นในจิตกตามอ่ะคุณก็จเจริญโพชฌงได้อันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะมันก็จะใช้ไปได้ด้วยกันหมดเลยแตาแม่แามาคิดถึงพระสูตรนี้ละเฉลิพันสรุปลับพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติอย่างาทั้งหมดเลยใช่นะคะโดยแบ่งออกเป็นเรื่องของการทําความเพียร4ี่หัวข้อใหญ่ๆ คือสังวรอินทรีย์สังวรประทานเนี่ยนะคะใช่แล้วก็อันนี้ปะทานปหานะประทานใช่ปะหานะแปลว่าละอืมค่ะปหานะประทานละอะไรนะคะโนสกุลละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกไปละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมก็คือการทําความเพียรด้วยการละนะท่านละการพยาบาทเบียดเบียนใช่ใชถูกไหมคะแล้วก็ภาวนาประทาน ภาวนาก็คือการความเพียรด้วยการพัฒนาภาวนาเพรว่าพัฒนาฮะภาวนากับพัฒนาเหมือนกันใช่นะคะซึ่งเป็นการพัฒนาโพูดชมถูกต้ององธรรมแห่งการตรัสรู้ถูกต้องดังแปลถูกไหมคะถูกต้องซึ่งในที่นี้ก็มีหลายองค์นะคะมีสติมีธรรมวิจยะคือพิจารณาใครครัวในธรรมมีวิริยะมีปีติมีปัจสัตธิ ปสัตติเนี่ยอะไรนะคะปสัตติแปลว่าความสงบประงับความสงบประงับใช่ค่ะกับอุเบกขาสมาธิแล้วก็อุเบกขาค่ะสมาธิแล้วก็อุเบกขากับสุดท้ายเป็นประธานที่เรียกว่าอนุรักษณาประธานรักษาสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วใช่ใช่ค่ะพูดถึงก็เป็นเรื่องลึกซึ้งแล้วก็ถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติในเข้าใจยากอยู่เหมือนกันนะคะ คือเหมือนกันนึกไม่ออกอะค่ะท่านคะนก็เลยอาจารยก็เลยมาเปรียบเทียบกับเรื่องของยุงกัดนี่แหละแต่ว่ามันจะมีสองขนาดที่แตกต่างกันตรงนี้ค่ะอพอพูดถึงเรื่องยุงกัดปุ๊บเป็นแค่ไปหายากันยุงกับยาแก้อาการแก้แผล ใ, ใี่ถูกยุงกัดนะคะตอนที่ท่านบอกยาแก้ยุงเนี่ยดิฉันงงเลยงงทันทีจนกระทั่ง <laughs> <laughs> พอค่อยๆ อ, อธิบายออกเข้าใระแก้แผล เออใช่แผลที่ถูกยุงกัดมันจะคันมันจะเป็นตุ่มเป็นฝีขึ้นมาลักษณะค่ะแต่ทีนี้ในองค์ธรรมในพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องประทานเนี่ยจะแตกต่างจากยาป้องกันยุงยากันยุงถูกป่ะคะที่ท่านบอกว่าในทางปฏิบัติที่แท้จริงยุงไม่ได้กัดแล้วกัดเลยครั้งเดียวยุงอาจจะมากัดใหม่มดังนั้น ทาแผลเสร็จเรียบร้อยเราก็อาจจะต้องทายากันยุงด้วย<ช>แต่ยาทากันยุงคือยาทางโลกเนี่ยาทาแล้วต้องระวังไม่ให้ไปถูกแผลเดิ ม, มเพราะว่าจะทําให้เกิดการอักเสบซึ่งแตกต่างกันจากยากันของพระอริยะถูกหมคะใช่ใช่ยากันอันนี้คื อ, อก็คือพูดถึงเรื่องของอริยมรรคเมีองแปดนะในที่นี้เราพูดถึงหมวดของสัมมาวามะนะคะคือมีพิษมีภัย สำนักไบะยะมะความเพียรเนี่ยไม่นะคะก็พยายามดิฉันเองก็ต้องพยายามทําความเข้าใจไปด้วยนะคะเนี่ยในแนยาบางอย่างคือไม่ใช่ว่ายาทุกตัวเนี่ยจะมีข้อจํากัดการบ่งใช้นะในแต่ละทางโลกเนี่ยก็จะมีบางตัวที่มีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นธรรมาก็เลยพูดถึงประเด็นตรงนี้ว่าในทางของคําสองพระเจ้าเนี่ยมันมันใช้ได้หมดเลยเนี่ยมันจะกลมกลืนกันค่ะ ใช้ได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นอริยมรรคมีองค์แปดปุ๊บเนะี่ยใช้ได้หมดเลยอาจจะผ่านใจถูกต้องค่ะซึ่งในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราเนี่ยพอฟังอริยมรรคมีองค์8จะมีความรู้สึกว่าไกลเกินเอื้อมแต่เพลิเพ ล, เพลท่านทั้งหลายอาจจะกระทําในสิ่งที่เป็นอริยมรรคมีองค์8อยู่แล้วด้วยจริงหรือเปล่าค ะ, ะเวลาที่เราเอาแค่ว่าเราเดินไปเราทํางานอยู่ด้วยความขายันขันแข็ง ไม่พูดจาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ชื่อว่าเราเจริญมรรคแอยู่แล้วนะค่ะซึ่งบางครั้งพอเราไม่รู้เราก็ทอแต่พอเรารู้ว่าเราทำอยู่แล้วก็ทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่แล้วก็อยา่าเพลย์พลายไม่ทำเสียเรื่องนี้ก็ทําได้อยู่ตลอดเวลาในอย่างแค่ว่าเรารู้จักการที่สํารวมนะอินทรีย์เห็นอะไรที่จะชอบกินอยากกินเราก็เปล่าๆลงหน่อยอย่าให้มันอกุศลทําเกิดขึ้นในใจอย่างนี้ น, ะะนั่นคนที่กําลังระมัดระวังอาหารเพื่อลดความอ้วนหรือว่าเพื่อป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลขึ้นความดันขึ้นเบาหวานขึ้นอย่างนี้ถือว่ามีสติแน่นอนมีสติสตแน่นอนใช่ใชเพราะว่าเขาจะต้องระลึกได้เสมอระลึกได้เสมอว่าจะต้องไม่กินสิ่งที่มันไม่ดีค่ะท่านคะ<ม>เทียบกันได้เลยไหมคะกับสัมมาสติะคะท่านคะใช่ใช่ช่เรื่องนี้เทียบกันได้เลยสัมมาสติ<ม><ม>ก็เป็นอริยมรรคมีองค์แปดในองค์ที่เจ็นะคะท่านคะใช่แล้วคนที่มีสติยั่งย์เนี้ย ก็ต้องพยายามที่จะทําความเพี่ยนนะทำความเพนะียนในการที่จะเอ้าเราละแหมไอ้นี่ข้าวขาหมูอยากกินเอา้าก็ต้องหยุดอย่างเงี้ยก็ไม่ไปตามเรื่องของลิ้นมากอย่างน้อยก็จะมีการทำความเพียนด้วยการรักษาลักค่ะดิฉันเห็นพระสงฆ์เนี่ยรักษาศีลจานวนมากทีเดียวนะคะ เ, เคยได้ยินว่าพระสงฆ์จะไปเด็ดใบไม้ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงหรือเปล่าคะทานคะอ่าถูกต้องเป็นศีลข้อหนึ่งั่นเป็นศีลข้อหนึ่ ง, เ, งเพราะว่า เ, าเรื่องต้นบัญญัติตรงเนี้ย มันก็มีตอนนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้อนุญาตให้ภิกษุมีกุฏิรับที่พักมีที่พักได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีพระเนี่ยไปตัดไม้มาตัดไม้มาสร้างกุฏิตัวเองแตปรากฏว่าไปตัดต้นที่มีรุกเทวดาแล้วรุกเทวดาก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าล่ะว่าทําไมมีภิกษุมาตัดต้นไม้ของฉันอะไรต่างๆตัวนี้ก็เป็นเรื่องบป็นราวไปแต่ไม่พระพุทธเจ้าเรียกมาสอบสวนแล้วก็แต่ไม่บีมบัญญัติที่เรียกว่า ห้ามพลาดของเขียวนะสับกระบางกงี้ก็คืออะไรที่เป็นสีเขียวเป็นต้นไม้กิ่งไม้ใบไม้นะห้ามหมดห้ามหมดห้ามไปไปตัดไปเด็ดไปดึงนะดอกไม้ก็ห้ามแล ะ, ะขณะที่ณนะวันนี้นี่คนก็อาจจะบอกว่าไม่ค่อยเห็นเทวดาเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยรู้สึกในเรื่องของเทวดาเท่าไหร่คําสอนนี้หรือว่าวินัยนี้ยังต้องใช้อยู่ล่ะคะใช่ใชใช่เพราะว่าบัญญัติแล้ก็คือเป็นอย่างนี้ตลอด ท่านคะแต่ที่ฉันอยากจะทราบมากขึ้นไปอีกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแค่เรื่องของลุกธรวมดาหรือว่าท่านจะเป็นห่วงในเรื่องอื่นๆอีกนะคะเออเวลาที่บุญชาบัญญัติธรรมะเนี่ยก็เนื่องด้วยออหลายๆเหตุอยู่ทั้งหมด10อย่างนะหนึ่งในนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นผู้ที่อยู่ง่ายเลียงง่ายด้วยเพราะฉะนั้นการบัญญัติธรรมะตรงเนี้ยก็เป็นเป็นไปตามนั้นนะในความเป็นธรรมาเพราะเพราะฉะนั้นพระเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปตัดต้นไม้หลักไม่ควรที่จะไป ญ่าด้วยค่ะตอนแรกดิฉันคิดเองยังคิดว่าเป็นเพราะต้นไม้นี่ก็จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเพลีย้ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นมแมลงศัตรูพื ช, ชแต่ว่าดูแทบจะไม่เป็นตัวมแมลงเท่าไหร่นะคะก็ยังถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตดิฉันจึงเข้าใจไปว่าสงสัยจะกลัวไปผิดสีข้อหนึ่งก็ก็จะมีส่วนอยู่นะรวม อ, อันนี้ยังรวมถึงขุดดินด้วยนะพระก็ห้ามขุดดิน ก็คงจะเป็นเรื่องสัตว์นี้ด้วยเหมือนกันเวลาที่เราเห็นท่านทำงานในลักษณะทำนองนี้อย่างวัดต่างจังหวัดหรือืางทีไปวัดในต่างประเทศนีก็อาจจะเป็นเพราะความจําเป็นอันนี้มีข้อยกเว้นไมครับอาไม่มีข้อยกเวน้นแต่ว่าความผิดมันก็จะมีเป็นต่างๆกันไปนะคืออย่างเรื่องของการขุดดินเนี่ยถ้าเป็นดินที่เขาเพิ่งมาวางไว้เมื่อสอวันอันนี้ขุดได้อยู่ จะมีข้อที่เขาแบ่งแยกเอาไว้ให้แต่ถ้เป็นดินมันอยู่ตรงนั้นมาเป็นเดือนเป็นปีแล้วเนี่ยเ น, นี่ยไม่ควรเพราะว่าอาจจะมีสัตว์อยู่ในนั้นนะคะเนี่ยที่ฉันเห็นข่าวอยู่ข่าวนึงตัวเองอ่านเนี่ยอ่านแล้วขำอบอกว่าตัดเผาต้นไม้ทิ้งนะคะเป็นต้นพยอมอายุเป็นร้อยปีเหตุผลคือให้หัวแม่นเจ้ามือขาดทุนหลายงวด พูดถึงต้นไม้อายุเป็นร้อยปีเป็นที่น่าเสียดายมากนะคะกว่า ท, ที่จะอยู่ยืนมาขนาดนั้นแม้ถ้าถูกเผาง่ายๆด้วยเหตุผลแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากน่าเสียใจมากเพราะว่าต้นไม้มันก็ช่วยหลายอย่างนะช่วยกับมนุษย์หลายอย่างพระพุทธเจ้าเองก็เกิดใต้ต้นไม้ตรัสรู้กับตรัสรู้ใต้ต้นไม้ปรินิพพานกัปรินิพพานใต้ต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นเรื่องของต้นไม้กับพระหรือว่าในทางคำสอนพรพุทธเจ้าเนี่ยจะเกี่ยวกันอยู่เต็มๆเตมเตีเยว ค่ะทีนี้ถ้าจะให้ธรรมะอะไรท่านทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้เพื่อที่จะทําให้จดจํา ง, ง่ายๆพอเห็นต้นไม้ปุ๊บนึกถึงธรรมะพระพุทธเจ้าสําหรับวันนี้นี่จะมีไหมคะท่านคะพระเจ้าพูดถึงเวลาต้นไม้ที่มันจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้เนี่ยกิ่งมันก็ต้องสมบูรณ์ใบต้องสมบูรณ์ใบสมบูรณ์แล้วกิง่งก้านสาขาต้นไม้อะไรต่างๆก็สมบูรณ์นะพอต้นพวกนี้สมบูรณ์แล้วกระพี้ก็สมบูรณ์แกนก็จะสมบูรณ์เนะพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า เราพยายามทําเข้าไปทำนิดนิดหน่อยอย่างเรื่องของสมาวิยามะะตรงนั้นก็ทําตรงนี้ก็ทำนะมันจะทําให้ความสมบูรณ์เนี่ยมันค่อยเติมขึ้นโตขึ้นทีละเล็ก น, น้อยละเล็กน้อยอย่างนี้ไปเหมือนต้นไม้ก็ค่อยๆโตปีหนึ่งสูงเท่านี้อีกปีหนึ่งสูงเข้าไปอีกอย่างเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยไปค่ะก็ขอให้ได้มีความเชื่อเถอะว่าถ้าเริ่มแล้วทําไปเรื่อยๆจะงอกงามเหมือนกับต้นไม้ใช่ใช่เรื่องของนั้น ะค่ะก็เป็นอันว่าวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประธาน4ี่หรือว่าประธาน4ซึ่งแปลว่าความเพียรกัไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังได้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับศีลของพระภิกษุมีละเอียดมากจริงๆเลยนะคะยังคิดว่าเราคงจะได้ความรู้อย่างเนี้ยต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะว่าชีวิตเองก็ต้องเกี่ยวข้องกับพระภิกษุกันอยู่บ้างและแถมไม่ได้แง่คิด ทุกครั้งที่เห็นต้นไม้ก็ได้กำลังใจกันไปเลยนะคะพระพุทธองค์นั้นปรัสว่าคนเราเหมือนต้นไม้ทําความเพียรนะคะค่อยๆทําไปเรื่อยๆก็จะเติบโตขึ้นไปยิ่งๆเหมือนกับต้นไม้นั่นเองกราบน้อสการ์ขอบพระคุณท่านพิบูรลนะคะเชียบานการท่านฝังที่เคารพคะและนี่ก็คือรายการสรันสีสนทนาโดยดิฉันสรนสีนาฏพงศ์นะคะกับพระมหาพิบูลอภิปุโนวัฒปารดอนไฮโซอุดรธานี ออกาศทาง FM106 ครอบครัวข่าวค่ะติดตามรับฟังรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะพุทธวัต ส, สวัสดีค่ะ